พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะมาอีกแล้วนะคะดิฉันสันสนีนาคพงกับรายการสันสิีสนทนาค่ะสัปดาห์หนึ่งในส่วนของตัวดิฉันเองจะพบกับท่านเพียงแค่วันพฤหั ส, สบดีและวันศุกร์เท่านั้นที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอ็มร้อหแห่งนี้นะคะส่วนท่านที่ร่วมในการสนทนากับดิฉันก็คือพระมหาภัยบุตรอภิปุโนนั้นท่านจะให้ธรรมะพวกเราทุกวันทํางาน ในแต่ละสัปดาห์เลยคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็ไปกราบนมัส ก, การท่านกันเลยค่ะนมัส ก, การกับท่านคะเชิญพานตามที่เคยได้ขอท่านไว้ว่าพอเริ่มต้นรายการปุ๊บเนี่ยอยากจะให้ผู้ที่ฟังรายการนี้ได้ไประโยชปฏิบัติจ า, ตากการปฏิบัติไปด้วยดังนั้นดิฉันก็ข อ, อนิมนต์ท่านให้นําท่านทั้งหลายเตรียมให้พร้อมนะคะท่านฟังสู่การปฏิบัติกันเลยค่ะโอเคในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น อัับแรกก็คือให้เราเริ่มที่การตั้งสติขึ้นซึ่งการตั้งสติขึ้นนั้นเครื่องมือที่เราใช้ก็คือใช้ลมหายใจของเราในธรามบูฟังเนี่ยลองมาสังเกตลมหายใจคือลมที่ผ่านออกผ่านเข้าอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยจะใช้ทางโพรงจมูกนี้เป็นหลักเวลาลมที่ผ่านเข้าไปในโพรงจมูกลมที่ผ่านออกมาจากทางโพรงจมูกเนี่ยเราเอาความใจจดใจจอ่อเอาความสนใจของเรา อาจิตของเรามาตั้งเอาไว้อยู่บริเวณที่เราสามารถจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้แต่าการทําแค่นี้นี่ชื่อว่าเป็นการตั้งสติขึ้นแล้วเป็นการที่เราเอาใจของเรามาจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้คือลมหายใจและในขณะที่เราเอาใจของเรามาตั้งอยู่ที่นี่แน่นอนบางทีเราก็รับรู้เสียงไปด้วยรับรู้ถึงอุณหภูมิในห้องรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆทางร่างกายบางทีมันก็ มีมาเพราะว่านั่นเป็นการรับรู้จิตไปทำหน้าที่ต่างๆในขณะที่เรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปก็อย่าให้ลืมหลงลมหายใจซึ่งลักษณะการทำงานอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้ประกอบกับการทางานของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการคิดงานการขับรถหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งสติเอาไว้ให้ได้อย่างนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า เวลาที่เราตั้งสติไว้อย่างนี้ขึ้นแล้วนะอารมณ์ใดๆที่มันจะมีมาเป็นความชอบใจเป็นความไม่ชอบใจที่จะเกิดขึ้นจิตของเราจะไม่ได้เอนเอียงทะเลถลาไลาไปตามสิ่งเหล่านั้นมากเท่าไหร่อย่างพอที่จะควบคุมตั้งจิตของเราขึ้นได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าจิตของเรานั้นก็จะไม่ตกอยู่ในอํานาจของสิ่งต่างๆที่มากระทบจากกลางๆเป็นจิตที่มีการควบคุมได้ ลักษณะการควบคุมอย่างนี้นชิชว่าผู้ที่อยู่ตามทางมาในตามทางคําสอนของพระพุทธเจ้านารักษาจิตที่เป็นสภาวะอย่างนี้ให้ดีอยู่ตลอดทั้งวันในในี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วจริญบ่อนสาธุค่ะส่านฟังที่ครบคะ่ะแล้วนั่นก็คือการที่ท่านเพียบูรญได้นําพวกเราปฏิบัติธรรมไปแล้วนะคะคือท่านให้เราปฏิบัติไปพร้มพรอมๆกับการสอนวิธีการไปด้วยเลยว่าเป็นการนําเอาสติของเราเนี่ย ไปจดจออยู่กับลมหายใจโดยสังเกตการผ่านเข้าออกของลมหายใจในที่ที่ท่านสอนนี้เป็นวิธีที่ใช้สัมผัสกับโพรงจมูกถูกไหมคะใช่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือปริมุก ข, ขังนั่นคือหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นคือโพรงจมูกนั่นเองค่ะแล้วก็ท่านก็ลองไปทําดูนะคะเพราะท่านเปโบนได้กล่าวถึงผลของการที่เมื่อเรา ได้มีสติอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นนี้ตั้งสติได้เนี่ยจะทําให้เกิดผลอะไรบ้างเช่นก็ไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆรอบๆตัวใช่ดังนั้นเวลาเกิดอะไรที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาลองดูนะคะถ้ามีสติก็ตั้งขึ้นตรงนั้นให้ได้อเพราะว่าบางทีเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าลุกจากที่นั่งปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เจริญสติต่อ ใช่อันนี้ส่วนใหญ่จะลืมไปเลยออกปุ๊บปั๊บลืมลมหายใจไปแล้วใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะชีวิตมันมีอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะนะคะยิ่งในช่วงเนี้ยเขามีการพูดกันถึงเรื่องอาจจะเศรษฐกิจฟืดเครืองอกำลังซื้อตกลงไปถ้าฟังพวกนักเก็บสถิติเศรษฐกิจเพื่อเอาไปวิเคราะห์นะนะคะเดีเชนก็ติดใจเลยค่ะท่านคะเพราะว่ามีการพูดถึงแม้ ข้าราชการจะได้ร no ับเงินเดือนขึ้นมีเงินโน่นนี่เพิ่มมาแต่ก็บอกว่าไม่สามารถนำออกมาจับจ่ายให้เกิดความหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เหตุเป็นเพราะกรรมเก่าเขาใช้คำนี้นะคะกรรมเก่าที่เขาว่าเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าเป็นพวกผ่อนบ้านผ่อนรถและรายจ่ายอย่างอื่นอิจิปาถะดิฉันก็เลยคิดว่าเราคงต้องมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมตามคาสอนของพระศาสดา ว่าท่านให้ความสําคัญไว ม, มากไหมกรรมคืออะไรกรรมเก่าน่ะเป็นแบบไหนกันแน่อืและกรรมใหม่เป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวผมเอาคำว่ากรรมก่อนเส้นที่หนึ่งในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เ, เจตนา this is karma พุรรทธเจ้าตรัสไว้นเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมกรรมว่าเจตนานี่ก็คือหมายถึงเป็นลักษณะของจิตใจที่เราตั้งใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนีย่ยเป็นเจตนา จะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามอันนี้มันก็เริ่มมาจากใจนะถึงขยับปากได้เริ่มมาจากใจถึงขยับกายได้แต่นี้เป็นเป็นกรรมเป็นการกระทําเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นการปรุงแต่งที่ออไปแต่ถ้ารากศัพท์ในภาษาบาลีเนี่ย ก, ก็จะใช้คําเดียวกันคือหมายถึงการปรุงแต่งออกไปด้วยนี่คือลักษณะของกรรมแตเป็นกรรมใหม่ทีนี้เรื่องของกรรมนี่กรรมใหม่ที่เราทำเนี่ย จะเป็นสีขาวสีดําก็มีพระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้ตรงนี้สีดําก็ลักษณนะการกระทำํำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลเป็นไม่ดีผู้ชั่วคิดชั่วทําชั่วมีมิจฉาทิฏฐิพูดมิจฉาวาจาฆ่าสา ร, รักทรัพพวกนี้นี่คือกรรมดำําในขณะที่กรรมขาวก็คือการกระทําที่ตรงกันข้ามกันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลแลกุศลนี่ก็ไม่ฆ่าสารไม่ลักทรัพย์เป็นต้นอันนี้คือเบื้องต้น ในเรื่องของกรรมใหม่ส่วนคําว่ากรรมเก่านะคำว่าเก่าเนี่ยก็คือหมายถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นในะผลของการกระทําที่เราทําไปเนี่ยมันจะเป็นผลนะเพราะว่าทุกการกระทำเนี่ยจะมีผลเกิดขึ้นคือถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะถ้าคุณโยมติ๋วเอามือผลักกับกําแพงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนกําแพงเนี่ยมันดันเรากลับมามันจะมีแรงดึงแรงดันกัน น, นี่เป็นกฎธรรมชาติทั่วๆไปแต่คุณกระทำทำอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะมีผลเกิดขึ้นในลักษณะผลที่เกิดขึ้นนี้นั้นมันจะตามให้ผลได้ไอ้ความที่เราไปรู้สึกต่ออารมณ์อันเป็นผลของการกระทําที่เราทําแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกต่ออารมณ์ได้เนี่ยก็เรียกว่ากรรมเก่ากรรมเก่านะ <Okay. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นกรรมเก่านี่คือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้เช่นอะไร เช่นบางทีเกิดเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจ ะ, ะมีคนชมมีคนกล่าวชมเราอย่างใดอย่างหนึ่งความที่เราไปรู้สึกต่ออารมณ์อันเป็นผลของภาษาคือคำชมที่มันกระทบเราก็รู้สึกแหมดีใจใไอความรู้สึกที่เราไปดีใจในสิ่งเนี้ยที่เป็นเกิดจากการที่คหนหนึ่งเขาชมเราเนี่ยตรงนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่าน ะ, <Ừ. S 1> ะความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือกรรมเก่า แล้วรู้สึกผ่านทางไหนก็ผ่านทางร่างกายนี่แหละผ่านทางหูนี่แหละทําให้บางคนยุบกายนี่คือกรรมเก่าแต่จริงๆเนี่ยความรู้สึกต่ออารมณ์เนี่ยมันผ่านทางกายความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มันมากระทบเนี่ยคือกรรมเก่าโอเค okay, นะเดีฉันขอถามเลยได้ไหมคะเพราะว่าท่านพูดในประโยคที่ดีฉันเข้าใจมาก่อนแล้วก็เหมือนกับเคยเจอพุทธพจน์ว่ากายนี้คือกรรมเก่าอ่านะคะดีฉันก็เลยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะคะ ว่าที่เกิดมันเป็นเราเนี่ยอาการสามสิบสองสาสิบอ็ดสาสิบที่มีอยู่ไม่เท่ากันอืในคนบางคนที่อาจจะพิกลพิการนะคะแต่ถ้าปกติก็สามสิบสองนั่นแหละเป็นผลพวงมาจากกรรมที่ทํามาแล้วแต่ปางก่อนคือกรรมเกา่าคือคือในนี้ถ้าเราไปดูภาษาบาลีให้มันชัดเจนแตนะ่เวลาที่ท่านแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยคือบางทีมันไม่เข้าใจก็เลยใส่วงเล็บเอาไว้ในตรงวงเล็บที่ท่านใส่เอาไว้เนี่ยใช้คำว่ากายนะกรรมเก่า ในวงเล็บ ก, กายนี้นะคําว่านี้เนี่ยคำเก่านี้นี่คือบาลีเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าไม่เข้าใจก็เลยใส่คําว่ากคำเก่ากายนี้ใส่คำว่ากายเข้าไปนะเป็นวงเล็บเพื่อใหเอ้เป็นเหมือนกับลักษณะของอัธยาศนะัซึ่งความจริงแล้วไอ้คาว่ากรมเก่านี่คือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ผ่านทางไหนผ่านทางกายเขาก็เลยวงเล็บคําว่ากายนี้เอาไว้เพื่ออะไร<ม>เพื่อให้เราเข้าใจได้ แต่ความหมายจริงๆก็คือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้คื อ, คอถ้าตรงนี้นะ ถ, ถ้าสมมุติว่ากรรมเก่าคือกายนี้เนี่ยกำหนดบทเพียนชนะอย่างเงี้ยจะไม่ถูกต้องร้อเซนตเพราะอะไรเอาดูอย่างพระอาหารหันตะ์ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่าพระัญญโกรธัญญะท่านพ ร, ร, ระสารีบุตรจนถึงพระอาหารหันต์สมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยจิตที่บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพ้นจากกรรมทั้งหลายนะ่ะสิ้นกรรมแล้วนะ่ะกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่มีอา้าวแล้วตรงนั้นกายนี้คืออะไร เราทําให้มันอาจจะสับสนได้ในบางทีมันจะไม่ลงกันในมันจะขัดกันอยู่นิดนึงแต่ถ้าบอว่าเรามีความเข้าใจว่ากรรมเก่าคือความที่ไปรู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆได้เอาก็แน่นอนพระอรหันต์เนี่ยเวลามีผัสสะอะไรเกิดขึ้นเป็นเวทนาเนี่ยเหนือเวทนาปนั้นไปแล้วในเวทนาเนี่ยจะไม่กรอบงํากลุ่มรุมจิตของตนได้คือเหนือไปแล้วพ้นแล้วแต่ตรงนี้คือเหนือกรรมไงพ้นจากกรรมไงแตถึงแม้จะมีกายอยู่ก็ตามก็ไม่มีปัญหา งั้นเดีฉันขอซัดต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อความกระจา่างดังนั้นก็เท่ากับว่าการที่เคยเข้าใจไปตามที่เข้าใจว่าเป็นพุทธพจน์ว่ากายนี้คือกรรมเก่านั้นไม่ถูกทั้งหมดแต่ยังมีส่วนถูกถูกไหมคะถูกต่างค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายแล้วครอบคลุมไม่ทําให้เข้าใจผิดไปได้ควรจะอธิบายว่าความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ต่ออารมณ์ได้หรือว่าอันนี้แหละคือพุทธพจน์แล้วอันนี้คือพุทธพจน์นั่นแหละอ๋อค่ะ น, นี่คือพุทธ ไม่ใช่ควรจะเข้าใจว่าเลยนะคะต้องเข้าใจว่าพระพุทธองคัดไว้ว่ากรรมเก่าคือความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ถูกไหมคะใช่ใช่ดังนั้นก็ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เก่ามากหรอกเพิ่งเกิดเมื่อกี้ดิฉันไปเห็นอะไรเข้าแล้วรู้สึกได้เนี่ยผ่านไปสามวิเอง อ, อันนี้นเป็นรู้สึกปั๊บคือกรรมเก่าแล้วถูกต้องทีนี้ลักษณะของกรรมเนี่ยเวลามันจะให้ผลใช่ไหมมันจ ะ, จะให้ผลเดี๋ยวนี้ น่ยก็อย่างที่คุณยมติว่าสามวินาทนะีหรือให้ผลในเวลาต่อไปอาจจะข้ามวันหรือให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปอีกอาจจะข้ามปีข้ามเดือนหรือข้ามพบข้ามชาติอันนี้มันลักษณะการให้ผลเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เท่ากัน อ, อยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาหนังสือมาอ่านในะการที่เราจะตั้งใจในอ่านหนังสือเนี่ยเป็นกรรมนะเป็นการกระทำเป็นเจตนานะโอเคคุณอาจจะเอาหนังสือวิชาที่เราไม่ค่อยเข้าใจอาจจะเป็นคณิตศาสตร์เอ้าเอามาอ่านโอ้งงเต๊กเลย งผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเนะ่ยความรู้สึกมันมึนมันไม่เข้าใจเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมแต่ในขณะที่เราพยายามทําความเข้าใจทําความเข้าใจไปเนี่ยพอปลายปีเนะ่ยเออสอบผ่านเนะี่ยนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นนะเป็นผลของการกระทํานี้เกิดขึ้นปลายปีเนี่ยผลที่มันให้ต่อมาในเวลาต่อมาเนี่ยเออฉันสอบผ่านเนะีเวลาต่อมาต่อมาอีกเนะี่ยด้วยคะแนนที่คุณทําไว้อะไรต่างๆเหล่านี้เออคุณได้งานทำที่ดีเนเวลาต่อมาต่อมามันก็ให้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ เนะ่เพราะว่าไอ้คะแนนตัวนี้ที่คุณทําจากการที่คุณอ่านหนังสือตรงนั้นอันนี้คือลักษณะการให้ผลในะที่มันจะบางทีก็สุกบ้างทุกบ้างก็จะป่าปนกันไปค่นะ <c oughs> หรืออีก <c oughs> ตัวอย่างหนึง่งเช่นว่าเราเดินออกไปหน้าบ้านโชคหน้าคนบางคนแต่โนะชคหน้าเขาเนี่ยมือเราเจ็บเดี๋ยวนั้นนะในขณะเดียวกันเราอาจจะถูกโจกกลับนี่คือเวลาต่อมาแตนะ่ต่อมาต่อมาอีกก็อาจจะเป็นคดีความในศาลอะไรต่างต่ า, านะก็เป็นผลของการกร <c oughs> นะทำค่ะแล้วถ้า เบี่ยนๆทำอยู่บ่อยๆ อ, อาจจะเป็นผลให้เราไปตกนรกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ น, น, นี่คือห่วงของการกระทำเนี่ยห่วงเวลาที่มันจะให้ผลเนี่ยมันจะต่างกันค่ะกัมเ ก, เก่าคือผลของการกระทำที่เป็นความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ดังนั้นถ้าเมื่อกี้นี่สามวิก็เป็นกรณีเดียวที่ดิฉันรู้สึกชอบอาหารสิ่งนี้มาก พันใดนั้นดิฉันรับประทานเลยอันนี้กรรมเก่าเนี่ยมันเกิดผลเร็วมากใ ช, ใชะะเ่เป็นเป็น菩萨นะตอนนั้นถูกต้องนะคะ <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการอ่านหนังสืออย่างที่ท่านว่าเนี่ยกรรมเก่าอันนั้นเป็นกรรมเก่าต่อเมื่อให้ผลในการที่ทําให้สอบได้สมมุติอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าให้ผลระยะแรกกรรมเก่าตอนแรกไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้แหละคุณโยมติวที่พระพุรธเาบ อ, <c oughs> บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พยากรณ์ได้ยาก ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เราได้อยู่ตอนนี้เนี่ยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางกายก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าการตรีมตัวอย่างไม่สม่ําเสมอก็ได้มันเป็นอยู่ได้หลายอย่างตรงเนี้จึงเป็นเหตุ ท, ที่ทาให้เราต้องมาทําความเข้าใจว่าความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวล้วนๆทั้งหมดถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาชันเกิดมาใช้กรรมแมมคาพูดนี้มันคิดกันมาก แต่คนที่มีความเห็นอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและถ้าเอาไปเที่ยวพูดนะก็กล่าวตู่พระพุทธเจ้าอีกเนีสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมเก่าเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขความทุกข์ได้ความสุขความทุกข์แต่ทําความเข้าใจใดีนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวล้วนๆไม่แน่เนะี่อาจจะเกิดจากกรรมใหม่การการะทําที่เราเพิ่งทําการเตรียมตัวไม่สม่ําเสมอเหตุของดินฟ้าอากาศ โอยอย่างทั้งหมดหกอย่างนี่แหละค่ะพระพุทธองค์บัญญัติไปหมดแล้วว่าเอาจะเกิดมาเป็นอย่างไรบ้างเอมีเหตุในการเกิดอย่างไรบ้างใช่ใช่เไหมคะว่าไม่ใช่กรรมเก่าแต่เพียงอย่างเดียวถูก ต, ต้องตอนนี้ฉันคิดว่าไปช้าไปเร็วไม่ได้เลยนะค ะ, ะในค่อยๆไปทําไมทําไมทําไมถึงความคิดที่บอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันเป็นกรรมเก่ากายนี้ฉันเป็นกรรมเก่านะแล้วฉันเกิดมาอันี่ก็ใช้กรรมเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนคิดอย่างนี้เนี่ย เขาจะไม่ทําอะไรในตอนนี้เขาจะไม่ทําอะไรในตอนนี้ก็ก็ชีวิตฉันเป็นไงเพรา ะ, ะใันกับกรรมเก่าไงค่ะฉันจะจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็จะอยู่ที่นี้จากความเข้าใจเดิมที่ตอนที่ดิฉันยังเข้าใจตามบทพยัญชนะว่ากายนี้คือกรรมเก่าหมายความว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาตามพัฒนาการต่างๆอย่างใดจะสวยจะขี้เรจะพิการอย่างไรเป็นผลจากกรรมเก่าเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นเพราะในระหว่างคุณแม่ดิฉันตั้งคันได้รับประทานยาบางอย่างทำให้ดิฉันเกิดมาฟันไม่สวยก็ได้เป็นไปได้รับประทานเตตตราไซคลินสมมตินะคะเหตุแห่งเหตุแห่งการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออันนี้แน่นอนค่ะงั้นก็พอจะสรุปเข้าไปในคำอธิบายของพระศาสดาที่ตรัสว่า ไม่ใช่เรื่องของกรรมเก่าซะทั้งหมดอาจจะเป็นเหตุหนึ่งใน6อย่างใช่ถูกไหมคะและอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างว่าเป็นเตตราไซคลินนั่นเป็นหนึ่งข้อที่อธิบายไว้อย่างไรคะพระพุธองก็คือว่าเป็นผลของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเป็นผลของน้ําดีหรือเป็นผลของเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นผลของอุตตุคือดินฟ้าอากาศ เ่ยนี่ก็หรือทั้งหมดนี้รวมกันสอย่างนี้รวมกันก็เป็นทั้งหมดหอย่างอนะคะโอ้อันนี้ดิฉันคิดว่าต้องทําความเข้าใจเยอะเลยเพราะดิฉันเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะเชื่อเรื่องกรรมเงินเยอะได้แล้วแล้วก็พูดกันเยอะนะคะพูดกันเยอะจริงๆทําอุทานหรือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรรับกรรมไปอค่าพอหาคาอธิบายไม่ได้เออกรรม น, น, นะคะส่วนใหญ่กรรมเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดกันในเรื่องผลที่ดีนะคะออพอเป็นผลไม่ดีปุ๊บเนี่ยกรรมหมดเลยแต่ถ้าพอผลดีเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกรรมกัน ด, ด, ดูอย่างยอะตัวอย่างเช่นอคนที่เกิดมาร่างกายไม่สมประกอบเดี๋ยวแล้วกลายเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงดิฉันเพ<น>ิ่งดูเลยค น, น, นที่มีเต่งที่ขาอันเดียวเนี่ยอ่ า, าแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวสมมุตินะสมม ต, สมมติสมมุติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้ ว, ลวถ้าเรามีความคิดว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าเขาจะไม่ทําอะไร ก็จะมันเขาจะไม่ทําอะไรที่เป็นเหตุให้ควรทําหรือเขาก็จะไม่ละอะไรที่เป็นเหตุสิ่งที่ควรจะต้องละก็จะไม่ทําสิ่งที่ควรทำมาไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทำไมอ่ะก็มันเป็นอย่างเงี้ยจะไปทําแล้วมันจะไปเกิดอะไรขึ้นมาได้เขาก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นตลอดมันก็จะไม่ถูกต้องไงเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> สําหรับคนที่ไม่เคยรู้จักคนนี้เพราะว่าดิฉันต้องบอกว่าดิฉันเพิ่งรู้จักเมื่อเมื่อคืนนี้เองนะคะท่านคะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษ ก็อายุยังไม่มากนักหรอกนะคะเด๋ชฉันเข้าใจว่าน่าจะขึ้นสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ถึงกลางคนมั้งค ะ, ะแล้วก็ร่างกายเขาแขนก็ไม่มีแต่กําเนิดท่านฟังลองคิดนะคะมีแต่หน้ากับตัวน่ะแขนไม่มีมขาก็เหมือนกับว่ามีติ่งอ่ะมีติ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นขาไก่มันดุ้งดิงด่งดุ้งดิ่งอืออยู่ชิ้นหนึ่งแต่เป็นชิ้นมหาศย์เลยนะคะทําอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างเขา เขาโยนลูกลูกอะไรนะลูกเทนนิสใช่ไหม mm hmm. ไปให้เด็กที่กําหนดให้ยืนรับอยู่ในจังหวะที่เหมาะเหม๋งพอดีเลยโทรศัพท์มาเขาเอาไอาต้ติ่งๆของเขาเนี่ยอกดโทรศัพท์ไงไม่ทราบมันกระเด้งขึ้นมาอยู่ที่หูเขา mm hmm. รับโทรศัพท์ได้เลยเป็นต้นเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ <Yeah. S 2> เขาก็พูดให้คนฟังว่าเขาเคยคิดฆ่าตัวตายเมื่อตอนอายุสิบขวบเพราะรู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบอะทำไมมันเกิดมาเป็นแบบนี้อืม mm hmm. แต่วันวันนี้ เขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเขามาคิดถึงว่าเขามีดีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่ายน้ําได้ด้วยเหรอคะที่ฉันไม่ใช่ใช่ใช่เขาเคยเอาวิดีโอมาดูอปร<บ>ะเด็นที่ต้องการพูดตรงนี้ก็คือว่าอะไรที่ควรทําที่เราทําได้แล้วอะไรที่เราไม่ควรทํานี่คือประเดน็นค่ ะ, ะตรงกันข้ามก่อนนะก่อนที่อาจารมาจะอธิบายต่อไปเอาตรงกันข้ามถ้าเรามีความไม่เชื่อร้อยเอร์เซ็น์เลยว่าเฮ้ยกรรเก่าไม่มีหรอกไม่จริงค่ะไอ้ที่ตีแบบนี้ยก็ไม่ถูกนะอันนี้ต้องดักคอไปก่อนนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราคิดว่ากรรมเก่าไม่มีเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วศูนย์อันเนี้ยแย่เพราะอะไรเพราะเขาจะทําบาปกรรมได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กลัวอะไรอันนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าเราจะพูดว่ากรรมเก่าไม่มีจริงความคิดนี้ไม่ถูกแต่มันมีอา้าวแล้วมันจะให้ผลในลักษณะไหนไอ้ตรงการให้ผลนี่แหละที่มันยากที่จะคํานวณได้ เดี๋ยวมันให้ทันทีเดี๋ยวมันให้เวลาถัดมาเดี๋ยวให้เวลาต่อมาต่อมาอีกหนักบ้างเบาบ้างอันนั้นปนกับอันนี้ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงระดับสัมมาสัมพุทธะถึงจะพยากรณ์ให้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาชินไต้นะว่างั้นนะนะเรื่องวิบากของกรรมนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอาชินไต้ถ้าคิดแล้วมันจะมึนถึงความเป็นคิดแล้วจะเป็นบ้าใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าใช่เปล่าเรื่องอาชินไตเอ่าแต่มันให้แน่นอนมันมีแน่นอนเพราะว่าความ เห็นทิฏฐิที่บอกว่ากรรมดีมีกรรมชั่วมีอันนี้เป็นความเห็นทิฏฐิที่ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วยังไงแตสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคนที่เขามีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทำงั้นฉันต้องทําอะไรนะตอนนี้เนี่ยอาจจะเจอสุขบ้างเจอทุกบ้างนต่ฉันก็ทําสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทํานั้นก็คือการที่เราเดินตามมรรคแปด สิ่งที่ควรทํานั้นก็คือว่าไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่รุปปิดในกรรมสิ่งที่ควรทํานั้นก็คือว่าตั้งสติเอาไว้ใหม้มีความเพียนให้มีสมาทิฐินี่คือสิ่งที่ควรทําแต่สิ่งที่ควรละละ่ะก็ตรงข้ามกันในเวลาเจอความทุกข์ก็อย่าทําสิ่งที่เป็นรพุศลอย่าปิดศีลเวลาเจอความสุขอาตั้งสติเอาไว้อย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่ควรทํนะ <C ham> ทานักจิตใจของเราจะสามารถประคองได้ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์เพราะว่าโลกมันเป็นอย่างน เนะีสุขก็มีทุกก็มีสุขมากบ้างทุกน้อยบ้างก็สลับกันไปคแต่เราเหนือตรงนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเหนือโลกเหนือจากโลกกระทำไงท่านคะนั้นก็เท่ากับว่าเมื่อเราพอเข้าใจมากขึ้นแล้ว อ, อาจจะยังไม่กระจ่างสัทีเดียวแต่ถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อว่าท่านพิบูร์เนี่ยได้นะนำเอาคําสอนของพระพุทธองค์เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราฟังเอ็กซ์ก็ชักจะต้องปรับความเข้าใจตามความเห็นของพระพุทธเจ้า เมื่อก่อนนี่เคยคิดว่าชีวิตที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะกรรมนะคะคือเหมือนว่าโอ้โนี่ต้องเป็นกรรมดีของชั้นแน่เลยชันเลยเกิดมานี่นะชีวิตไม่เคยต้องลําบากลําบนอะไรกับเขาแต่พอชีวิตมีปัญหาปุ๊บโอ้ยมันคงมีเศษกรรมอะไรบางอย่างนะเรื่องอะ่รไหมความคิดนั้นถูกต้องนะคุณยงติวที่ว่าฉันดีขึ้นไม่ได้เพราะว่าฉันได้กระทําดีอี่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะค่ะอันนี้ก็ถูกคือกรรมดีมีกรรมชั่วมีไง ค่ะคือเหมือนกับว่ากรรมดีเนี่เป็นดีในอดีตไกลๆก็ได้ใช่ไหมคะท่านคะใช่ใช่ใช่หรือว่าอาจจะเป็นกรรมดี ใ, ใกล้ๆก็ได้ <c pave> ก็ได้ก็ได้กรรมดีแล้วเข้าตา ก, าการหมายตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเสริมเข้าไปให้มันรัดกลุมคือที่อาจมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าโดยส่วนเดียวคือ <c ười> โดยส่วนเดียวคุณเชื่อว่านี่เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวที่ฉันํา ม, มาความเชื <c ười> ่อนี้มั น, นไม่ถูกโดยส่วนเดียวนะ <c ười> หรือตรงกันข้ามกันก็คือไม่เชื่อเลยเนี่ยโดยส่วนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกแต่มันมีอย่างอื่นอีกแฟกเต ปัจจัยอะไรอีกต่างๆอีกหลายอย่างค่ะตรงนี้ต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมให้มันรัดกุมไงค่ะและสิ่งเหล่านี้พระศาสดาเราตรัสเอาไว้เองเลยนะคะใช่ใช่ชก็คงทรงจกลัวว่าเดี๋ยวจะงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรกันซะเลยขึก็ยิ่งหนักไปกว่าเก่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําำก็คือกุศลธรรมสร้างกุศลบําเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยย้าไว้เสมอนจะเกิดภัยพิบาต จะเจอความแก่ความตายจะเจอสุขทุกข์อา้าทําสิ่งที่ควรทาละสิ่งที่ควรละจึงจึงบัญญัติเรื่องของมรแปดเอาไว้เนี่ยเป็นธรรมะที่ควรทําให้เจริญนะอันนี้เป็นแอับสุลเลยนะคุณหยมติยวคือเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแบบอย่างนี้แน่นอนเลยอะ่ะคือถ้าคุณทําตามนี้คุณไม่มีทางปิดเลยตามมรแปดเนี่ยค่ะสาธุค่ะท่านเดินเรื่องเร็วมากเลยทำให้นางฝรั่งไปทิ้งจุดที่จะสรุปผลองบันดีที่ฉันยังจะยื้ออยู่ในช่วงระหว่างกลางรายการเลยอ่าก็ขอขั้น ด้วยเรื่องที่หากเล่าไปแล้วเผือ่อท่านอาจารย์จะอธิบายอย่างไรก็จะได้เป็นการทำให้ท่านฟังทั้งหลายเนี่ยได้ทบทวนวิธีการที่จะเอาคำสอนของพระศ า, าสดามาจับในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดิฉันเล่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจเรื่องทำได้ถูกต้องจากตัวอย่างต่างๆมากขึ้นนะคะที่นี่ต้องเอามาพูดเนื่องจากดิฉันไปรับปากคนเขาเล่าให้ฟังมามท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ สนใจธรรมะระดับหนึ่งนะคะแต่เรื่องที่ท่านสนใจมากท่านสนใจเรื่องกรรมค่ะอืมท่านก็บอกว่าคุณติว๋วอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะมันเกิดที่บ้านผ ม, มคืออยู่ต่างจังหวัดนะคะจแล้วก็อยู่ในตัวอำเภอซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เป็นป่าดงอะไรบอกวันหนึ่งมีคนมาแจ้งให้ฟังว่าหมูป่ากัดคนตายอืมท่านก็ไม่อยากเชื่อ ท่านบอกว่าคนเขาเล่าว่าหมูป่าเนี่ยเดินผ่านหมู่บ้านสมมุติว่าหมู่ที่หกอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนอื่นเห็นมากมายคือพบเจอผู้คนมากมายหมูก็ไม่ทำอะไรใครเลยแล้วก็หมูก็เดินผ่านในส่วนของอำเภอที่มันจเจริญแล้วเนี่ยข้ามหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ที่บันไดของบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของพราน Oh. พรานคนนี้ก็ถูกคนตามลงมาว่าให้มาดูสิหมูป่าบุกเข้ามาเขาก็ตั้งท่าจะเอาปืนมายิง mm. แล้วเขาก็งงมากเหมือนกันนะคะว่าเออ ม, มันมีจริงๆนะตอนแรกนึกว่าคนเข้าใจผิดที่หมูป่ามาเดินวนเวียนแล้วคนนี้แลละค่ะคือคนที่ถูกหมูป่าตัวดังกล่าวนี้นะคะกัดสไตล์เลยือ mm. กไส้เส้ยทะลักแล้วเขาก็บอกว่าพราณคนนี้เมื่อสิบห้าวันก่อน ได้ไปฆ่าหมูป่าตัวเมีย mm hmm. ที่กําลังตั้งท้องแล้วก็เอามากินเรียบร้อยแล้วอื mm hmm. คนที่เล่าให้ดิฉันฟังท่านบอกอท่านมีหลักฐานใบแจ้งความตํารวจเลยนะลักษณะการบรรยายจดบันทึกประจําวันไว้แบบนี้เลย mm hmm. ยังกระใจร้อนเอามาเล่าซะ ก, ก่อนนะคะ mm hmm. อืเท่านก็บอกผมว่ามันเป็นเรื่องกั๊มเป่าเนี่ยเพราะว่าหมูป่าก็อย่างที่บอกอนะคะ mm hmm. เดินผ่านคนมาเยอะแยะมากมาย ก็ไม่ทําอะไรใครแล้วก็ป่ามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเข้ามาในเมืองแล้วทําไมจําเพาะจะต้องมาอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านเึ่นเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมกับหมูป่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะนั่งอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องกรรมเกรรม่ากรรมใหม่กรรมยังไงหรือเปล่าค้าวิบากวิเบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเรื่องอย่างความสามารถของหมูอย่างเงี้ยนะค่ะนักวิทยาศาสตร์ษษที่เขาก็เคยทําการวิจัยว่าหมูนี่มันฉลาดกว่าหมาหมูเนี่ยมีความฉลาดระดับ เด็กสามขวบหรสูงกว่าเด็กสามขวบนะหมูเนี่ยสามารถทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เด็กสามขวบทำไม่ได้ดังนั้นความสามารถของเขานี่ก็สูงกว่าหมาสูงกว่าเด็ก3มขวบในหมูโดยทั่วท่วไปนะสุกรโดยทั่วทไปเป็นงนี้แล้วก็วเวลาที่เราสร้างภาษาอย่างใดยอย่างหนึ่งออกไปไม่ว่าเราจะมองตาไปทางไหนจะคิดกับใครจะพูดกับใครเนี่ยอันนี้เป็นภาษาออกไปเสมอเสมอแต่เป็นภาษาที่สร้างออกไปแล้วเนี่ยเวลาคนหนึ่งเขารับไป กรรมเนี่ยคุณโยมติวมันเกิดจากภาษะกรรมเนีย่ยมีภาษะเป็นแดนเกิดมีภาษาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีภาษาเป็นที่กําเนิดบริชาคว่ า, างาาี้นะกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีภาษะอย่างใดอย่างหนึ่งมาถูกกระทบเราเช่นคนนี้พูดอย่างนี้เออเทโลทัตเขาพูดอย่างงั้นนะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราอ่านข่าวตรงนี้ตรงนี้เป็นภาษาที่เข้ามาตุ้มๆๆเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา ฉันคิดอย่างนี้ฉันว่ายอย่างนี้ฉันตอบไปอย่างนี้นี่คือกรรมบุมบุ่มบุมบ ม, บมออกไปตลอดเวลาโอเคนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยมันถูกสร้างอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอ้กรรมนั้นเนี่ยมันจะหนักหรือมันจะเบามันก็อยู่ที่ว่าไอ้การกระทบต ร, ตรงเนี้ยมันหนักหรือมันเบาเพราะพุทธ้าเปรียบเทียบไปสา3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณเอามีดเนี่ยนะกรีดลงไปบนน้าเอามีดเนี่ยกรีดลงไปบนน้าจวดลงไปเนี่ย ไม่พอสักหนึ่งวินาทีมันก็เชื่อมติดกันค่ะอันนี้คือเคสที่1กรณีที่1เอาใหม่แต่กนะูเอามีเนี่แหละกรีดลงไปบนทรายกรีดลงไปบนทรายนะเขียนเป็นภาพเป็นตัว อ, ยอยักษรอะไรต่างๆก็ตามไม่มีปะนะัญหาแต่เขียนไปแล้วเนี่ยพอตอนช่วงเย็นๆน้ําขึ้นมันก็ล้างหายหมดแต่มันจะอยู่ตลอดมันอยู่แต่ช่วงเย็นๆมันก็จะหายหมดใน น, นี่คือกรณีที่2ในกรณีที่3ามเรก็คือเอามีดนี่แหละกรีดลงบนหิน หรืเหมือนสลักลงใบบนหินเนี่ยนะโหมันอยู่เป็น10ปี20ปีนะมันไม่หายไปง่ายๆอันนี้คือลักษณะของภาษาที่มันกระทบเนี่ยแหละคุณโยมติวติ่บว่ามันหนักหรือมันเบาเวลามันกระทบเนี่ยแล้วเราตอบสนองออกไปเนี่ยด้วยความหนักหรือความเบาไอต้ตอนตอบสนองนี่แหละคือจังหวะที่เราเอามีดกรีดลงไปบนอะไรนะี่ยคือบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเงี้ยคุณแบบตอบสนองแบบแรงมากเนะีเดือดดานมาก ไอ้เรื่องเล็กเียน้อยนี่ไม่เล็กน้อยนะเพราะเขาสร้างกำหนักก็เอาใช้กำหนักนี่บทปัญญชนะ ไ, ไม่รัดกลุ่มบอก เ, เหมือนกับว่ากรำนี้มันจะจะให้ผลหนักให้ผลมากมีความมีนยัยยะสําคัญสูงปุ่งี้ดีกว่านะก็คือเปรี๋เหมือนกรณีที่3ที่ว่าคุณกรีดลงไปบนหิ น, นในทางตกลงข้ามเรื่องนี้มากระทบตู้มเนี่ยถ้าเราแบบว่าสามารถควบคุมใจเราได้ไม่ได้ตอบสนองไปหนักมากอะไรมากเนี่ย ก็เหมือนกับกรณีที่1ที่ว่าคุณกรีดลงใบบนผิวน้ําแต่มันก็อยู่ไม่นานการให้ผลของมันก็มีระยะสวลาสำคัน้อยเนยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าผู้ที่เขารับการกระทรํานั้นเนี่ยผู้ที่เขารับผัสสารนั้นไปเนี่ยเขาจะตอบสนองจิตเขาจะเป็นแบบไหนแต่ซึ่งตัวอย่างของกรณีที่คุณยมเตียวไลฟ์ฟังเนี่ยเรื่องของหมูป่าเนี่ยนะเขาคงจะเครียดมากอ่ะคำว่าเครียดมากของอาตมาเนี่ยหมายถึงแบบเป็นเคสที่3ามเนื่เพราะมันกระทบจิตใจของเขามาก พอเขาตบปีเจนเขามาเขาตอบสนองสูงไอการตอบสนองออกมาลักษณะนี้เนี่ยคือบางทีการให้ผลอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเร็วด้วยหนักด้วยเป็นไปไดนะ้ซึ่งบางทีความสามารถที่เขาไม่เคยมีเขาก็มีขึ้นมาอยู่อย่างกรณีมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องออกเกินไกลไฟไหม้หรือตกใจอะไรต่างๆเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยยกของหนักๆได้ไม่รู้พลังมันมาจากไหนแบบนี้มันก็มนะซีซึ่งเป็นลักษณะของฮอร์โมนที่ ร่างกายมันผลิตขึ้นมาเพื่อความจำเป็นลักษณะที่ต้องมีการใช้อย่างเร่งด่วนมันก็เป็นไปได้ค่ะอืมเท่ากับท่านบอกว่าถ้าจะวิเคราะห์ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหมูมันฉลาดนะคะอะกว่าสุนัตหรือว่ากว่าม้ามแล้วก็ฉลาดเท่าเท่ากับเด็กสามขวบอืมประกอบกับการที่เวลาสมมุติว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับการที่พรานไปฆ่าหมูตัวเมียตัวนั้นที่ตั้งคันด้วยออืม เขจะเกี่ยวข้องรายกันแล้วเขาก็โกรธใช่ไหมคะใช่อาฆาตแรงมันก็เป็นไปได้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่จะให้ผลเร็วผลหนักได้ค่ะอ่าก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นเห็นแล้วเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดความสังเวชในเรื่องของกรรมเนี่ยเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่ออะไรในปรุชาบอกในเรื่องของกรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของต้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผาพันธุ์ มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพอเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆแล้วเนี่ยก็ทําสิ่งที่มันเป็นกรรมดีซะนี่คือประเด็นหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นกรรมชั่วซะนี่คือเรื่องที่เราควรทำแต่มันจะต้องมาจบตรงจุดที่ว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งอ่ะฉันจะต้องละอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งอ่ะก็ละสิ่งที่ควรละก็ทําสิ่งที่ควรทํานี่คือประเด็นค่ะนะครับพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกเนี่ย มีกรรมเป็นกําเนิดใช่มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาทํากรรมกระทำได้ไว้อ่าดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นค่ะเท่ากับว่าอไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการกระทําล้วนแล้วแต่มีผลถูกไหมคะล้วนแล้วแต่มีผลมีผลไปตามเหตุสร้างเหตุดีผลก็ดีใช่ สางเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีว e กัสลิงเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็โยมติววิกัสลิงเนี่ยอยู่ตรงนีนะ้คือตรงจุดที่สําคัญคืออยู่ตรงนี้ตรงที่มันมากระทบเนี่ถ้าสมมุติว่าเราปลา่อยจิตปล่อยใจเราให้ไปตามสิ่งที่มากระทบคนนื่นเขาจะบังคับเราได้เราก็จะสร้างกำดีกำชั่วตามสิ่งที่มากระทบอันนี้มันไม่ถูกไงเพราะว่าจุดที่เราจะควบคุมได้คือจิตของเราตรงนี้ที่ไม่ว่าจะตอบสนองมาชั่วดีสุขทุกข์อย่างไรก็ตามเราตอบสนองออกไปเนี่ยเราทําออกไปเนี่ยดีได้ นี่มันอยู่ตรงนี้จุดที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าตรงจุดที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบายว่าพระพุทธองค์ได้พูดถึงเรื่องผัสสะเป็นแดนเกิดถูกต้องถูกต้องเมื่อเกิดเวทนาจากผัสสะนั้นๆคือผลจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปกระทบกับอะไรอืมรเราต้องอือย่าให้น้ําหนักของมันมากใช่ไหมคะให้เป็นมีกลีดน้ําเอาไว้รองลงมาหน่อยก็เป็นแค่มีดกรีดทราย อย่าปล่อยให้มันเป็นมีกรีดหินอย่างนั้นเปล่าคะถูกต้องถูกต้อ ง, งอันนี้คือในยะสําคัญนี่ก็อันหนึ่งนะหนักเบาแล้วที่คุณนําออกไปเนี่ยก็ต้องเป็นอยู่ในกรรมที่ดีกรรมดีที่สําคัญนะนี่ค่ะและเราก็อย่าไปสรุปเอาเองอย่างนั้นไหมคะเพราะพระพุทธองค์บอกว่าเราไปสรุปไม่ได้หรอกว่าผลที่ได้รับมีผลจริงแต่ถ้าเกิดผลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเราอย่าไปสรุปเอาเองโดยส่วนวเดียว นะคะโดยส่วนเดียวใช่โดยส่วนเดียวนี่หมายถึงแอบสุดนะมันจะไม่แอบสุดมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะโดยตามหอย่างนี้ค่ะ เ, ออเพื่อที่จะได้เข้าใจคำสอนของภาษาสดาให้ถูกว่าออดังนั้นจึงควรทำกุศลต่อไปใช่ใชคะ<ด>ทำความดีแล้วก็ละความชั่วกันต่อๆไปก็คงจะจบสำหรับเรื่องกรรมในภาคแรกแต่เพียงเท่านี้อันนี้ถือว่ามีภาคพิสดารเข้าไปหรื อ, อยังคะท่านคะ อก็ถ้ามีประเด็นอะไรเนึ่งเราก็จะมาคุยกันได้แต่ว่าเท่าที่คุยกันวันี้ก็ค่อนข้างจะทําให้เกิดความเข้าใจได้พอสมควรค่ะและดิฉันคิดว่าชีวิตของเราถ้าเมื่อดูจากวิธีที่มันเกิดกรรมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสอะไรเนี่ยเป็นกรรมตลอดเลยนะคะดังนั้นพรุ่งนี้สงสัยต้องรบกวนท่านพบูลอีกวันหนึ่งวันนี้ในมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเจริญพรพนุฝังคารแล้วนั้นก็คือ รพระภิกษุจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะพระมหาภัยบู์อภิปุนโนสำหรับวันนี้พุทธวัดสวัสดีค่ะ